เทพอบรมคณนะหม่อมหลวงจิตตินพวง์มีประเดชพระคุณพระาศาสนโสพลวัดบวรบเป็นประธานณนะวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนณนะวันที่30มีนาคมพศ2514 คำว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติาสาธารณสำนับผู้แครต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกกรรมาลที่เป็นธรรมะโลกกรรมาลธรรมคุ้มครองโลก แต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นนิริอุตตะ ป, ปะแปลว่าทำุูมของโลกหนึ่งที่หน่ธรรมโลกมีป้ามากฉะนั้นธรรมจึงเป็นสาธารณแจ่โลกตดยทัววไป แค่ก็เป็ น, นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธัรมเราก็เป็นโลกอัน น, นแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเฉพาะตัวด้วยกันดับซะ ก, ก่อนดับต้องบินมาเรามีธรรมะโล ก, ก บ, บาลเป็นเครื่องป้องกันปู เราดูที่ไหนก็ไม่มีภยัยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้งย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้งไปไหนก็ว่าเว ไม่ทราบจะอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะถึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้อากเป็นมนุษย์เราก็ยกว่าจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายัางมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยว สัตว์แต่และประเภทประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่งไนิ่มเอะลิ่นอย่างนี้เขาก็มีเกร็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเรา เฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี่มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนํามาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้าง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 ให้มีเครื่องป้องกันคำพูดทั้งตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะได้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำหนึ่งจะทำสิ่งใดลงลงไปต้องมีการคร้ควนถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีทำเครื่องป้องกัน กิริยาอาการเคลื่อนไหวของตงความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบลื่นการกระทำก็เป็นไปล้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจฐานไม่สะทกสะท่านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั่นได้ถูกกลันครองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกัน พูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนัก บ, บวชยิ่งเป็นผู้กิจสังรวมระวังตัวส ม, มุนเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดน พ, พุทธศาสนาเขารักเบื่อสใสบูชาสนับส น, นุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจาก เราผู้มีคุณค่าจึงควรสั้งรวมระวังกรันกรองให้เรียบรนอยเมื่อสินใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวขอ้องเช่นการกระทาอนไรก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเรา เป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเต้นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสําหรับผู้ฟังการพูดทําให้คำหนึ่งเนี่มันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะไประกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือกเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดมี่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรไข่ควรเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใขค่ควรเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุ ข, ขุมละเอียดไม่ถุนผันในโลภโทนไม่ยิงไม่โ อ, อ้วด แต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝกักเก็บไปเรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเลนนั้นเป็นเครื่องมือทางานนั้นนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝกัก ย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกมกลูนขึ้นกันแล้วกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจแห่ง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 เราผู้มีทำเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนนของเรานี้ไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นถ้าเย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดวาอาวาสของเรายอมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นเนีสามีภรรยาจะมีกาทรทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ พอพูดประรบถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แ้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัดฟังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์หรือครูอาจารย์จี่ให้นำาำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเรองบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดังเดิมครับ เป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเหตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมามาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่แกร่งกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศาศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าท่องอยาบริสุทธิ์แล้วประกาศาศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยการกำหนดปรากฏมาจนกระทั่งถึงตู้วันนี้ท่านผู้ใดได้ได สวมจิตใจของตนเข้าถู่ธรรมด้วยน้อมจิตใจของตนเข้าถูกธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม่จะเป็นคาวาสก็เย็นรูปข้ามู่ก็เพื่อนมีจํานวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้มาเดินนิยมมาเป็นหญิงเป็นชาเป็นนักบวชและคารวาสคือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นีเรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภยัยคนอื่นก็เป็นกลุ่มที่มาเกี่ยวข้องกับเร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 เมื่อนำธรรมะเอามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลฮิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะขยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแนวอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริ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 อดตะปาความเธดุ่งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ ร, ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งานสิง่งแค่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ได้เพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี่เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอย ถ้ายังไม่รู้เขาบอกว่านี่แหละรอยเสือตัวดูร้ายเท่านั้นเขาก็ปิดแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็าตามหลักธรรมของขพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทําเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิด ทุกคือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลนธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหา ค, งคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาตาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทําลงไปนะแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแต่ตงเสมอไม่เลือกการสถานที่ พอทําได้เมื่อไรเป็นทำลงไปมี่เรียวกว่าผู้สงคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทําความถูกให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่างโง่แล้วจะทําอะไรไม่สําเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทําดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทําชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ําเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ําแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแยะลงทะเลหลวง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 คามจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกัก้นกลางหววงหงห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็อรู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ช่องทางเพื่อสิ่งที่จะเป็นท่าสุดต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกาคือ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 สอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตยอมจะยอมจำนวนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปหน้าแม้จะฝืนก็บังก็ไม่นานยอมกล้าเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวน่ะเป็นสุข สสมาธิจึงเป็นทำเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตขั้นเลยจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักนี่จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรีร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทาง พื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเรากลมข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดกมลมฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนกลมผู้เดินทางก็ยอมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตุกจนตลอดสาย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 คือว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบคุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภยายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยะถากรรมขอยอมก็อความเดือดร้อนให้แก ต, ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบาังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้น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 พอไม่ทำความเดือดร้อนใจใจหนี่ชื้อายมีทําเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแน่ไปกับสมาธิน้าอีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละ พอยอมเป็นทำเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นชันของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการชิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างน อ, อกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์ เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นนั้นได้ไม่ว่ากว้างหรือแค่ไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตรหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วยอม จะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยธรรมาปัญญาเราจะคิดหยับหยาบเช่นเราไปเห็นคนตายนี่เราน้องธรามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี่เขากับเรานี่ ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันไม่เท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมปากช้ า, ชาหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูปากช้าซะก่อนเพื่อเป็นสับขีพยานแล้วโอปัณฑ์อีโกน้อมเข้ามาหาตัวของลรงว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าไปดู ป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิตธรรมนาของป่าช้าผีดิตจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เรื่องราดกันไปหมดในป่าช้านั้นลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับ ที่ตายในปา่าช้านี้มีความแปลสภาพเป็นลําดับอันหนึไปเนื่องจากการตายตามในลําเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ท่านก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ชาติใดผลุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้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 เวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากมากก็ตามเวลาร้อนกระจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจะจัดก็จะต้องหาอาหารมารับฐานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆามองเห็นเขาหักน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้ว ใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นลมไม้ก็รู้สึกว่าเยนใจเลยว่าจะได้อาศัยลมไม้นี่ใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตาในป่าชาพอย้อนมาหา่งตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึงก็ย้อนหาคุณงามความดี นั่นเนี่คนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลํำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจําเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไร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 ถ้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตเราได้โดยไม่ต้อง ส, สัตว์ทกสถานในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นะเนื่องจากความกลัวก็กลัวตานั่นเองก็บัตรนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่อ่ะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเรืองี่หาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดรนี้อย่าให้เสียเว ล, เวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไป สุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามกันผ่านไปผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือทีเร้ ว, ว่าสั้งคาน ร, ร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่จะยึยดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกัน ม, มีโรงทาบุญทำทานการเจริญภาวนา ทำเสียตั้งแต่บัด น, นี้การดัดแปลงตนเองถ้ามาดัดแดงเสียตั้งแต่เวลาบกพรองนี้สมบูรณ์แน่ไม่จําเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบเป็นมุมเสียจริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบําเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตลาดเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือมู่เพื่อนแนะนําสั่งสอนสูนกหาัไว้ไม่าให้ทําเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่ก็จับได้มาดเขา้าไปขังไว้ในเรือนจําแล้ว จะไปแก้ ข, ขกันไขกันเวลาเช่นั้นไม่มีทานนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกรรมก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทําลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรำนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครทาดีต้องดีทําชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นจุดเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทําถูกหรือผิด มาได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะทะั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเกี่ยวสม่เสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใคร ท, ที่การมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่หมัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชา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 แต่ละคนลคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจทึ่เป็นเจ้าของแห่งกรรมยึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสะดัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้ว นั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปตท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทีกล่าวอมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียบว่าปัญญาการไคร่ควรเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นทำเครื่องกลกันตัว เมื่อเราเสาะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครน่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเราเนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เหลือดอนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีั้งตนที่สร้างเอาไว้ี่ หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวเองกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสมใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไป ที่พึงของใจอัญญาคณละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยกคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหนักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอั น, นจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติ กอ่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีปา่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกผลล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอกนิ่วเอาดวงถาดดวงขันขึ้นมากลายเป็นปา่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองลาแบกภาระไม่ยอมปลดต่อหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเจ็ดสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจท้งโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมี ผู้ใหญ่บ้านมีคำนัน่นชำละเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภออำเภอไกรเดียยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลดีกาเป็นลําดําดับผล้สุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้ นี้จะขออายพระลมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกพราะไม่ควรศึกษาอะรเรียกว่าดีกา <aspects of the world> ก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษคนทหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะฝืนไปอีกไม่น่า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 ธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องเรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปสงบไปเป็นลํำดับกันเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นเนี่ผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจ พูแก้แกพกแก้ชาตแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนั้นแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจแทเอง ว่ามีอะไรเป็นเครื่องถักดันให้คิดให้ปรุงให้กอ่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความผิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไ ป, ไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับลำดัจนถึงหน้าแก้วของจิต รากแก้วของจิตรากก้จะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดขลองใสเต็มที่ระชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไป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 พิจรารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปตัญญาก็มีทางที่จะพิจรารณาได้อย่างเต็นที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้ว เหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นค่าสึกของใจได้ดับไปหมดแล้วธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นเลไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่เลยจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ม่านี้ผู้ใด ผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปได้ด้วยอํานาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกั น, นผู้นี้ก็หมดเรื่องเรื่องก่อกรรมทําเข็นต่อไปอีกนั่นก็หมดกันเรื่องชําระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลา มีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไลาโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรต่อกันไปกิเลส จ, จะมาอุทธรอีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่า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 ก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี ifier, ่ยวข้องกันกับบรรดาปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเรา ทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นทําเครื่องฟ้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไม่ตามประทานและใช้ให้เป็นประโยชน์สําหรับโลกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาหลังแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงมีว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้น ไม่ใช่ธรรมชาติที่เบิกจุดแต่เป็นทางก้าวบุตรทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหลคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั้นแหลคือสมุทยัยได้ดับไปแล้ว้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิเยาที่ดับไปนั้นถ้าเรียกว่านิโรธเมื่อ สิ่งที่เป็นค่าสุดคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจทั้งสี้แต่เป็นสัทธาอันหนึ่งจากสัจจทั้งสี้ผู้นี้แหละดูในทรามกลางแห่งสัจจทั้งสีแต่ไม่ใช่สัจจนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกเข้ามาเป็นปัญหาใดๆ เพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จําเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและประเยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นในกล่าวถึงทำโลค ก, กบาลหรือทำเครื่องป้องกันตัวป้องกันสาหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลค ก, กบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัว ที่กลามาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัสดตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้่น่โดยลำพังแล้วแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระพเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิเ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กราวว่าของโลกทั้งสามได้ธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรแล้วก็แก้โลกให้ หมดเด่นหมดไัยต่เป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอํานาจแห่งทรรันขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกจิตประถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สุสามนมนุษย์ในเทิดทูลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตล อ, อดเวลาในอวสานห่งธรรมนี้เพื่ออํานาจแห่งกุศลกุศลน่าไตรยอภิบาลขึ้นขอ ทุกๆท่านให้มีความสะดวกในการประทุษปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าสุกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงเดือนของการะเาษีโดยทักวไ